เครื่องดสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ The Shock Story ในค่าคืนนี้เจี๋ย The Shock รุ่นหนึ่งปีจอขออนุญาตหยิบยกอีเมลของคุณโน้ตซึ่งคุณโน้ต ได้ชื่อเรื่องว่าถนนสายหลอนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในจังหวัด ส, สุพรรณบุรีแถวแถวถนนสายที่เกิดเหตุนคนในพื้นที่จะมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งว่ามีพนักงานหญิงคนหนึ่งหลังจากเลิกงานในช่วงเย็นเธอคนนี้ก็ได้ก้าวเท้าลงจากรถของบริษัทซึ่งแฟนหนุ่มได้รออยู่อีกฝั่งของถนน เธอจึงเดินข้ามไปหาแฟนโดยที่ไม่ได้มองรถบนถนนให้ดีเสียก่อนปรากฏว<ป>่ามีรถกระบะทุ่งชนเขาที่ลำตัวอย่างจังจนลำตัวท่อนบนบิดกลับหลังปกติคุณโนตเป็นคนจังหวัดอ่างทองแต่ได้เดินทางไปเที่ยวงานประจำปีที่จัดขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันทั้งหมดประมาณ6คนนั่งอัดกันไปในรถกระบะคันเดียวกัน ไปถึงเวลาย่างเข้าห้าทุ่มเศษจึงได้ชวนกันกลับคุณโน้ตค่อยๆขับรถออกมาจากงานถนนไม่ได้ใหญ่มากและไฟทางก็มีอยู่แค่ห่างๆจนมาถึงโค้งโค้งหนึ่งซึ่งมีสารไม้เก่าอยู่หนึ่งหลังและต้นไม้ที่ลำต้นค่อนข้างใหญ่แผ่กิ่งปกกลุ่มไปทั่วบริเวณพุทขึ้นเป็นฉากหลังให้กับสารหลังนี้ ทำให้โค้งแห่งนี้ดูน่ากลัวพิลึกคุณโน้ตขับเขาโค้งปกติแต่นึกยังไงก็ไม่ทราบได้ถึงได้เล่าเรื่องผู้หญิงที่โดนรถชนจนตัวบิดให้กับเพื่อนๆในรถได้ฟังเฮ้ยเนี่ยได้ยินเรื่องเล่ามาว่ะว่าตรงเนี้ยมันมีคนตายแบบเนี้ยคุณโนตขับรถไปตามทางมืดๆโดยที่ขณะที่ขับนั้น ก็เล่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นไปด้วยแม้ว่าเวลานี้จะยังไม่เดึกมากแต่ถนนเส้นนี้กลับโล่งผิดหูผิดตาไม่มีผู้ร่วมทางขับสวนมาเลยแม้แต่คันเดียวสองข้างทางเป็นทุ่งนาโล่งเตียนมืดทึบมีต้นไม้ขึ้นเป็นช่วงๆจังหวะนั้นสายตาของคุณโน้ตก็เหลือบไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนก้มหน้าอยู่ในมุมมืดข้างทาง โดดโดดคนเดียวลักษณะของผู้หญิงคนนี้ผมยาวใส่ชุดพนักงานโรงงานแห่งหนึ่งแขนทั้งสองข้างลู่ลงข้างลำตัวคุณโน้ตไม่ได้สนใจมากนักเพียงแค่พูดออกมาเบาๆว่าผู้หญิงที่ไหนมายืนอยู่คนเดียวมืดๆคุณโน้ตขับรถไปตามทางเรื่อยๆด้วยความเร็วร้อกว่ า, วาจังหวะนั่นเอง คุณโน้ตมองไปที่กระจกสองหลังภาพในกระจกฉายให้เห็นผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ในมุมมืดสักครู่นี้กำลังเดินเดินตามหลังรถมาอย่างช้าๆแต่ที่ทำให้คุณโน้ตต้องขนลุกไปทั้งตัวทั้งๆที่ขับรถอยู่ประมาณ120ร2 0กก็ตามแต่เธอคนนั้นกลับเดินตามหลังได้อย่างสบายๆแถมยังใกล้เข้ามาเรื่อยๆ จกแทบจะเอื้อมมือจับท้ายกระบะได้คุณโน้ตตกใจกลัวจึงรีบเร่งความเร็วลถขึ้นอีกเพื่อต้องการที่จะหนีอะไรสักอย่างที่กำลังตามหลังมาอย่างติดติจนเหมือนจะทิ้งห่างออกมาได้แต่คุณโน้ตก็ต้องสะดุ้งจนตัวเกร็งเพราะจากที่เธอค่อยๆเดินตามหลังรถมาอยู่กลางถนนจูๆ่ๆเธอก็ออกตัววิ่ง วิ่งเต็มที่จนใกล้กระบะเข้ามาเต็มทีคุณโนตหันไปมองเพื่อนที่นั่งอยู่ภายในรถก็พอจะเดาออกว่าเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือ น, อนกันนั่นแหละเพราะทุกคนนั่งตัวสั่นก้มหน้านิ่งไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวถนนในเวลานั้นเงียบสนิทมีไฟทางสีส้มๆ้ส่อง ส, สว่างอยู่เป็นช่วงช่วง หังกนคุณน็อตคิดในใจว่านี่มันนานแค่ไหนแล้วที่ไม่เห็นผู้ร่วมทางคนอื่นเลยไม่มีรถสวนทางมาบ้างเลยพยายามใจแข็งขับรถต่อไปเรื่อยๆด้วยอาการที่สั่นไปทั้งตัวมีบางครั้งที่เหลือบมองไปที่กระจกสองหลังเพื่อจะดูว่าเธอคนนั้นวิ่งมาถึงหลังรถแล้วหรื อ, อยังหรือว่าเธอ กระโดดขึ้นมานั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วพลันสายตาก็มองเห็นแสงไฟหน้ารถคันหนึ่งที่ขับตามหลังอยู่ไม่ไกลแสงไฟของรถคันนั้นที่ส่องอยู่ด้านหลังฉายส่องกระทบกับลำตัวของเธอคนนั้นทําให้คุณโน้ตช็อกกับภาพที่เห็นจนร้องอุทานออกมาเฮ้ยดังมากภาพที่คุณโน้ตเห็นก็คือ ลำตัวช่วงบนของเธอนั้นหันมาทางคุณโน้ตเป็นปกติแต่ช่วงเอวลงไปจนถึงเท้ากลับหันไปข้างหลังแล้วก็กำลังวิ่งแบบกลับหลังตามมาติดๆใบหน้าซีดเผือดเหมือนไม่มีเลือดไปเลี้ยงลูกตาดำโตเป็นไข่เป็ดจนแทบจะะลนออกมานอกเบ้าเสยะยิ้มกว้าง เห็นฟันขาวเรียงเป็นซี่เป็นภาพที่น่าขนลุกขนพองที่สุดเท่าที่คุณโนต้ตเคยพบเห็นมาคุณโนต้ตอยากจะเรียกให้ เ, เพื่อนๆในรถหันกลับไปมองสิ่งประหลาดสิ่งนั้นที่กำลังวิ่งตามหลังอยู่แม้จะรู้อยู่แล้วว่าเพื่อนก็คงจะเห็นเหมือ น, อนกันหมดแต่ก็ยังอยากแชร์ความน่ากลัวที่มีอยู่จนจุกอกคุณโนต้ตพยายามจะพูดอะไรออกมาสักอย่าง แต่ก็ทำได้เพียงอ้าปะพูดไม่ออกไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาเลยอาจจะเป็นเพราะกำลังตกอยู่ในอาการช็อกสุดขีดได้แต่ประคองรถไปบนถนนเรื่อยๆสักพักรถคันที่ขับตามมาอยู่ด้านหลังก็ฉีกออกขวาแล้วก็พุ่งแซงขึ้นหน้าด้วยความเร็วคุณโนธพยายามเหยียบตามแต่กลับตามไม่ทัน เหมือนผู้ร่วมทางคันนั้นเหยียบหนีอะไรบางอย่างจนแสงไฟท้ายสีแดงหายลับไปกับตาในความมืดเบื้องหน้าไม่นานคุณโน้ตก็ขับผ่านสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งที่มีต้นไม้ใหญ่เป็นฉากหลังทำให้คุณโน้ตตาเบิกโพลงทันทีเพราะแน่ใจว่าตัวเองได้ขับรถผ่านจุดจุดนี้มาแล้วแน่นอน เท่ากับว่าตอนนี้เรากําลังขับรถวนอยู่ที่เดิมโดยมีตัวอะไรบางอย่างวิ่งไล่กวดตามหลังมาติดๆคุณนดศพยายามกลั้นใจไม่มองไปที่กระจกหลังเพื่อที่จะได้มีสมาธิในการประคองรถเต็มที่แต่ลูกตาเจ้ากรรมมันก็ไม่ยอมเชื่อฝังคอยแต่จะเหลี่ยบไปมองที่กระจกสองหลังอยู่เรื่อย ทำให้เห็นหน้าขาวๆ ข, ของผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็ลำตัวที่ผิดมนุษย์มนากำลังวิ่งตามหลังไม่อย่างติดๆบางทีก็ทิ้งห่างระยะไปสักพักแต่เธอคนนั้นก็จะเร่งความเร็วกลับมาจ่อถ่ายได้ทุกครั้งจนคุณโน้ตคิดว่าไม่ไหวแล้วจึงพยายามสวดมนต์ขึ้นในใจจนเหมือนว่าจะหลุดออกมาจากเส้นทางนั้นได้เธอคนนั้น ก็ค่อยๆชะลอฝีเท้าลงเรื่อยๆจนหยุดยืนก้มหน้านิ่งอยู่กลางถนนคุณโนตรู้สึกโล่งใจอย่างบอกไม่ถูกแต่ก็ยังไม่หายจากอาการหวาดผวาทุกคนในรถได้แต่นั่งเงียบมาตลอดทางจนคุณโนตไล่ส่งเพื่อนทุกๆคนถึงบ้านแล้วตนเองก็ขับรถกลับเข้าบ้านคืนนั้นไม่มีใครหลับลงเลยสักคนเพราะทุกคน ต่างประชุมสายและพูดคุยถึงสิ่งประหลาดที่ได้สบพบเจอมากันในคืนนี้วันต่อมาด้วยความสงสัยต่อสิ่งที่ได้พบเจอมาเมื่อคืนทุกคนจึงตัดสินใจไปที่นั่นอีกครั้งโดยเข้าไปเที่ยวงานก่อนแล้วขับรถออกจากงานมาประมาณสี่ทุ่มซึ่งก็เจอเธอคนนั้นอีกเหมือนเดิมจะต่างกันก็ตรงที่ว่าวันนี้ เธอวิ่งโผล่ออกมาจากข้างทางแล้วก็วิ่งคู่ไปกับรถเธอหันเข้ามามองภายในรถตลอดเวลาที่รถวิ่งไปด้วยส่งยิ้มหวานให้กับทุกคนในรถมีบางจังหวะที่เหมือนเธอจะพยายามเปิดประตูรถด้วยสำ้ำแต่โชคยังดีที่ประตูรถมันล็อกไว้ก่อนทั้งทางที่คุณโน้ตเร่งความเร็วจนเกือบจะ140เข้าไปแล้ว เสียงลมพัดกระจกดังอื้ออึงจนเหมือนมีอาการหูอื้อแต่กลับมีเสียงเคาะรถกอกกอกกอกกอกดังอยู่รอบรอบรถถนนวันนี้เหมือนจะมืดแล้วก็เงียบยิ่งกว่าเมื่อวานไฟทางทุกดวงมืดสนิทเหมือนมันพร้อมใจนัดแนะกันจะไม่ทำงานเอาดืด้อไรผู้ร่วมทางคันอื่น ทำให้เห็นเพียงแค่ลู ก, กตาสีดำปนโปลเสยะยิ้มฟันสีขาวภายในใบหน้าสีเทาซีดซีดซึ่งมีลำตัวสีน้ำตาลเข้มวิ่งชิดติดข้างๆตัวรถอยู่จนเพื่อนคนหนึ่งร้องไห้คลั่งครวญออกมาว่าไม่เอาแล้วไม่เอาไม่ลบลู่แล้วผมขอโทษ ตัวคุณโน้ตเองก็แทบจะไม่ไหวแล้วเหมือนกันเพราะตั้งใจแค่จะมาพิสูจน์เล่นๆไม่คิดว่าเธอจะออกมาให้เห็นจริงๆแถมครั้งนี้ยังน่ากลัวกว่าเดิมตรงที่มาวิ่งอยู่ข้างๆรถให้มองเห็นกันแบบจับจับกันไปเลยแม้ว่าตอนนั้นสติสตังของคุณโน้ตแทบจะหลุดออกจากตัวแต่ก็ต้องพยายามคุมสติให้ได้ในที่สุด เพื่อที่จะขับรถกลับบ้านให้ได้จนสักพักก็ทิ้งห่างออกมาได้แล้วเธอคนนั้นก็ค่อยๆชะลอฝีเท้าลงแล้วก็ยืนก้มหน้านิ่งเหมือนเดิมคุณโน้ตขับรถไปได้สักพักก็เหลือบเห็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ข้างทางจึงหักรถเลี้ยวเข้าวัดทันทีหลวงพ่อเดินลงมาจากกุฏิแล้วก็ถามพวกคุณนอตว่ามีธุระอะไรหรือโยม คุณโนดจึงเล่าเรื่องที่พบมาให้ท่านฟังท่านก็พูดกับคุณโนดว่าพวกมึงนึกยังไงถึงไปลองกันคราวหลังถ้าพวกมึงเล่นแบบนี้อีกกูคงไม่ช่วยอีกแล้วนะท่านพูดจบก็จัดแจงทําพิธีบังสกุลให้กับพวกเราโดยเอาผ้าขาวมาคลุมจนเที่ยงของอีกวันหนึง่งก็พากันกลับเข้าบ้าน เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้คุณโนต้ตและเพื่อนประสาทเสียกันไปสักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เลิกห้าวกันอีกเลยและนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณโนต้ตได้ส่งมาให้พวกเราทางช็ o c f m ฟแอมแอดฮอตเต้องขอขอบคุณคุณโนต้ตด้วยสำหรับอีเมลที่ได้ให้ชื่อเรื่องว่าถนนสายหลอน สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีเรื่องราวน่ากลัวสอยองขวัญอย่าเก็บเอาไว้คนเดียวนะคะส่งมาให้พวกเราทีมงานได้ที่ชอ็อกเอฟเอ m มแอดฮอสเมสำหรับวันนี้เจี๊ยบและทีมงานต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ เครื่องดื่มหวาู